จะให้แบบไหนก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นความอิ่มใจเนะอิ่มท้องอิ่มใจนี่มันต่างกันนะเราอิ่มท้องเพราะเรารับเอาอาหารเข้าไปใส่ท้องแต่เราอิ่มใจเพราะเราเป็นผู้สละเป็นผู้ให้เนะที่ญาติโยมเนอิ่มใจเพราะว่าได้มาถวายทานนะให้กับพระให้กับสงฆ์การกทอดกรถินเนี่คือการถวายสังฆทานอย่างหนึ่ง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 เมื่อเรามาด้วยจิตที่มีความเริ่มสายศรัทธามีความปรารถนาดีมีเมตตาแล้วเนี่ยนะอย่างที่อาตมาบอกนะเพียงแค่ตั้งใจและลงมือทมจะสำเร็จหรือไม่เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญละได้บุญเหมือนกันมีเรื่องเล่าว่าหลวงพ่อโตนะสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์พวกเราชาวพูดหลายคนรู้จักดีเพราะว่าอย่างน้อยก็เคยได้ยินคาว่า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 พระสมเด็จนะพระสมเด็จเนี่ยราคาแพงที่สุดนะถือว่าครังศักดิ์สิทธิ์ากเนี่ยก็เพราะว่ามาจากการสร้างของหลวงพ่อโตสมเด็จพระพุทธาจารย์มีคราวหนึ่งท่านก็ไปทอดกรถินที่วัดหนึ่งอยู่ต่างจังหวัดภายเรือไปก็คงมีลูกศิษย์เนี่ยพายเรือแล้วก็ท่านก็นำองค์กะถินทั้งผ้าทั้งบริวารใส่เรือ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 แล้วก็ไปยังวัดที่ทอดกระถินบอกว่าวัดไกลยอยู่ไกลเนี่ยไปไม่ถึงต้องค้างแรมที่วัดแห่งหนึ่งท่านก็ไปจำวัดที่อุโบสถหรือที่โบสถนะส่วนเรือนี่ก็จอดอทิ้งเอาไว้นะตรงท่าน้ำบอก ว, ว่ามีคนมาขโมยนะคนมายกเขาเอาเครื่องเอาองค์กรถินนะ่นบริวารไปหมดเลยนะหลวงพ่อโตแทนที่จะเสียใจนะ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 คุณยายอุตสาช่วยเขาก็ไปสำนึกบุญคุณแล้วก็เอาเปรียบกันแกล้งคุณยายก็โกรธนะเวลาพูดถึงก็จะเหมือนกับเป็นคนละคนเลยหน้าตาก็ดุดันลูกสาวเนี่ยนะก็เป็นห่วงแม่แม่กรัวแบบนี้เนี่ยนะมากๆนี่เดี๋ยวจะป่วยนะความดันแล้วก็ที่ห่วงยางนั่นคือถ้าตายไปด้วยใจที่ยังมีอาฆาตพยาบาทเนี่ย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 มันจะไปไม่ดีนะลูกสาวก็พยายามขอร้องว่าแม่ให้อภัยก็ไปเถอะเอาหสิให้อโหสิกรรมไปเถอะเรื่องมันก็ผ่านมา30สิปีแล้วนะไม่ใช่เพิ่งเกิดนะสาสิปีแล้วนะคุณยายไม่ยอมนะคุณยายแถมยังโกรธลูกสาวอีกว่ามาแนะนำอะไรคุณยายโกรลูกสาวเหมือนกับว่าลูกสาวเนี่ยกำลังจะมาแย่งชิงของรักของห่วงจากแม่ไป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 ไอ้ความโกรธนี่มันเป็นสิ่งที่ควรรักควรหวงควรแหงที่ไหนนะเออถ้าลูกสาวมาขอที่ดินนะลูกสาวมาขอเพชรดินจินดานี่หวงไว้ไม่ยอมให้นี่เออนี้พอจะเข้าใจได้เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยที่ดินเนี่ยนะเพชรดินจินดานี่ยมันก็มีประโยชน์นะแต่ว่าไอ้ความโกรธเนี่ยไม่มีไม่มีประโยชน์เลยนะลูกมาแนะนาให้แม่ให้อภัยได้ไม่โกรธ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 ก็ต้องสละต้องปล่อยต้องวางความเกลียดเพราะความเกลียดนี่มันกรีดแทงใจั้ากลายไปว่าเรารับความโกรธเรารับความเศร้าเรารับความเกลียดมากกว่ารักตัวเองนะเราจึงหวงแหนเอาไว้น ะ, ะเพราะฉะนั้นเนี่ยน ะ, ะกลับมาตั้งสติให้ดีนะเวลาเราโกรธใครเมื่อไหร่ก็รู้ว่านี่เรากำลังทําร้ายตัวเองล้วเต็มใจที่จะปล่อยที่จะวางเวลาเศร้าก็อย่าไปเก็บมันเอาไว้นะปล่อยวางซะ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 แต่ทำไมเป็นรักมันก็ไม่รู้นะอันนี้เพราะหลงเพราะลืมตัวอ ย, อย่างที่อาธรรบอกนะอิ่มอิ่มท้องเพราะกินอาหารนะอิ่มใจเพราะสละอันนี้ก็ไม่ได้สละอาหารไม่ใช่สลากเงินอย่างเดียวนะหมายถึงสละหรือปล่อยวางความโกรธความเกลียดความเศร้าความอาฆาตพยาบาทนะด้วยแล้วใจก็จะสบายเวลาทําอะไรนะก็เราตั้งใจแล้ว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 ทางวัดวารามมาโดยตลอดแล้วก็มาเป็นเจ้าภาพไปกับการอกทอดกระถิ่นติดต่อต่อเนื่องกันมาหลายปีรวมทั้งญาติโยมที่มาร่วมบริจาคนะองค์สมทบกับกองกรถิ น, นแล้วก็ผู้ที่มีจิตศรัทธามาตั้งโรงทานนะมาให้อาหารนะสงเคราะห์ผู้ที่มาร่วมงานตลอดจนญาติโยมที่นะมาแต่ตัวแต่ไม่ได้ตัวเปล่านะมาด้วยใจนะ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 ก็เพียงแค่อนุมโมทนาเนี่ยก็ได้บุญแล้วนะอย่างที่พระจะสวดในเวลาสักครู่เนี่ยนั้นก็จะบอกว่าเนี่ยชนเหล่าใดนะที่ร่วมอนุมโมทนาหรือขนขวายในการทำบุญนี้เนี่ยก็มีส่วนแห่งบุญด้วยขนขวายคือว่าสละแรงกายเนี่ยนะไม่จำเป็นว่าจะต้องมาเป็นเจ้าภาพไม่เป็นว่าจะต้องถวายเงินเท่านั้นนะ